บทที่สิบหกงานเป็นการยากที่จะบรรยายให้เห็นถึงภาพสวรรค์และชาวสวรรค์ว่าเหมือนกับอะไรบนโลกใบนี้ปัญหาจะมีมากขึ้นในการเล่าถึงสิ่งที่ทุกคนทำบนพพนั้นบนโลกของเราเราทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินไว้ซื้อเสื้อผ้าอาหารและบ้านหรือดูแลคนในครอบครัวเราตื่นนอนแต่งตัว เปลี่ยนเสื้อผ้านอนกินไปเที่ยวซื้อข้าวของและดูโทรทัศน์ส่วนในโลกหน้าการหลับนอนและการกินถือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นการแต่งตัวการท่องเที่ยวสามารถทำได้รวดเร็วและไม่มีใครทำงานเพื่อยังชีพอีกต่อไปแล้วทุกคนบนพบนั้นทำอะไรเสียงต่างๆยืนยันหนักแน่นถึงสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทําผม ไม่เห็นโรงงานไม่เห็นรถราและยานพาหนะใดๆบนท้องถนนไลโอเนลบาริโม่กล่าวเราไม่มีโรงงานขนาดใหญ่จอร์ดออสันว่าเราไม่มีรถไฟไม่มีสถานีด้วยฉันไม่ได้บินเอมี่จอรสันบอกเพราะมันไม่มีเครื่องบินฉันไม่เห็นรถบ้าๆอะไรเลยสักคันจอร์ดเฮริสกล่าวใครอยากจะได้รถเล่าที่นี่เราไปไหนมาไหนกันเองได้ ฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้โรสบอกแล้วฉันก็คิดว่าอยากไปร่วมงานชุมนุมทรงของฟลินท์แล้วฉันก็แค่คิดและหลับตานาทีต่อมาฉันก็มาอยู่ที่นี่กับพวกคุณแล้วเงินเหรอเอมี่อุทานที่นี่ไม่สามารถซื้ออะไรได้ด้วยเงินแต่วูดขัดขึ้นเธอบอกว่ามีสถาปนิศทำงานให้คุณคุณไม่ต้องจ่ายเงินให้เขาโรสบอก เขาทำเพราะรักที่จะทำเขารักที่จะออกแบบบ้านรักที่จะทำงานพวกนั้นและเขาก็ทำเหมือนอย่างที่นักดนตรีเล่นไวโอลินเขามีความสุขที่จะมอบความบันเทิงให้แก่เพื่อนๆของเขาพวกเขาทำทุกอย่างด้วยใจรักหรือทุกอย่างทำไปด้วยใจรักและทุกคนในพบของคุณที่ไม่เคยมีโอกาสทำสิ่งใดๆในชีวิตบางทีพวกเขาอยากเป็นนักดนตรีหรือศิลปิน พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่นี่กระทั่งในส่วนที่ยังไม่พัฒนาของจอร์จแฮร์ริสเขาก็รู้ว่าเราไม่ต้องออกไปทำงานไม่มีอะไรอย่างนั้นฉันไม่ต้องเก็บเงินเพื่อหาเลี้ยงตัวเองเงินไม่มีความหมายมันไม่ได้มีค่าอะไรที่นี่ไม่มีค่าเช่าไม่มีบินค่าอาหารไม่มีภาษาความลำบากเริ่มเมื่อเราถามพวกเขาถึงทักษะความชานาญ พวกเขากำลังพัฒนาเพื่อให้วันเวลาผ่านไปความปรารถนาทยานอยากของมนุษย์บนสวรรค์ดูจะถูกจำกัดคนนำทางของเท็ดบัตเลอร์อธิบายว่าแม่ของเธอไม่อยู่เพราะออกไปข้างนอกท่านออกไปทำงานเหรอบัตเลอร์ถามใช่เธอตอบฉันคิดว่าคุณคงเรียกมันว่างานแม่ของฉันเป็นผู้หญิงทำงานหนักตอนอยู่บนโลก ท่านเคยร้างจานและหาอะไรทำเสมอตอนนี้ท่านไปอยู่ในสถานที่ที่จะได้ดูแลเด็กๆเพราะท่านรักเด็กเด็กที่ตายขณะเป็นทารกหรือตอนที่พวกเขายังเด็กท่านจะช่วยเลี้ยงดูแลพวกเขาให้เติบโตท่านรักงานนี้แม่ของบิกเตรียมบ้านหลังใหม่ให้ลูกชายโดยการบอกเขาว่านางอยู่กับฟอรลี่พี่สาวของเขาฟอรลี่กับแม่ นางเอ่ยเราอยู่ด้วยกันและทำงานในโรงพยาบาลโรงพยาบาลหรือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างที่ลูกรู้จักแต่เป็นสถานที่สำหรับคนที่ยังปรับตัวปรับใจไม่ได้และต้องการคนนำทางคอยช่วยเหลือมันเป็นงานที่น่าสนใจและแม่มีความสุขที่จะทำแมรี Mary ่อีวานมีพี่สาวมารับและสามีของเธอก็ตามมาทีหลัง เขาอยู่ห่างออกไปเธออธิบายเขากำลังทำงานพิเศษที่ฉันได้รู้ภายหลังมันเกี่ยวกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งในแอฟริกาและเขากำลังช่วยคนบาดเจ็บกับคนตายอัลเฟรดฮิกกินส์มีงานทำคล้ายกับงานของเขาที่อยู่บนโลกผมพอใจอย่างยิ่งเขาบอกในการดูแลบ้านของคนอื่นๆและช่วยพวกเขาลงหลักปักฐาน ตอนพวกเขามาถึงที่นี่ใหม่ๆเราช่วยเหลือพวกเขาเล็กๆน้อยๆเราทำงานที่เกี่ยวกับการตกแต่งจอร์จฮามิสนักก่อสร้างก็ดำเนินรอยตามงานเก่าของเขาผมทำงานก่อสร้างผมสนใจในอาคารต่างๆมากและผมเองก็ชอบงานของตัวเองที่นี่ค่อนข้างแตกต่างเราก่อสร้างด้วยวัตถุดิบและสิ่งต่างๆก็เป็นจริงมั่นคง แน่นอนเราไม่ได้ทำเพื่อเงินไม่ได้ทำเพราะเราต้องทำแต่เราทำเพราะเราชอบที่จะทำเราได้รับความเพลิดเพลินมีความสุขจากการทำงานนั้นๆแน่นอนมีคนบอกผมว่าบางคนที่ผมอยู่ด้วยเป็นเออผมว่าคุณคงเรียกมันว่าภาวะแรกเริ่มและนั่นคือเหตุผลที่เราจะต้องสร้างแต่พวกเขาบอกว่าในชั้นที่สูงกว่าอย่างที่เรียกกัน บนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสร้างด้วยความคิดสถานที่ผมอยู่เป็นบ้านจริงๆเรามีวัตถุดิบและทำงานด้วยวัตถุดิบผมได้เห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เหมือนกับธรรมชาติบนโลกของคุณคนบนโลกไม่ใช่แค่คิดและก็นั่งลงและก็ได้ตามสิ่งที่ตัวเองคิดผมว่าแบบนั้นคงไม่มีความสุขหรอกนั่นเป็นวิธีที่ไม่ดีเท่าไหร่ เราจึงต้องใช้ความพยายามและสร้างเพื่อให้มีทำงานเพื่อให้มีนั่นเป็นความสุขความเพลิดเพลินประการเดียวที่ผมเห็นจอร์ดคะเบ็ตตี้กรีนถามคุณหาอิฐมาก่อสร้างได้อย่างไงคะพวกมันถูกผลิตขึ้นแหล่งผลิตป้อนมันมาให้และพวกเขาก็สามารถนำอิฐพวกนี้ไปใช้ก่อสร้างได้คุณคงสร้างบ้านเพื่อคนพิเศษพิเศษ บูดถามหรือคุณสร้างให้ทุกคนหรือใครที่คุณคิดว่าเขาจำเป็นจะต้องมีบ้านนั่นมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมหมายความว่าไม่มีบริษัทหรืออะไรอย่างนั้นแต่ทุกคนมาที่นี่ผมหมายถึงสถานที่ที่ผมอยู่ถ้าพวกเขามีการทำงานหรืออะไรบางอย่างที่พิเศษและพวกเขาสนุกกับมันมันทำให้พวกเขามีความสุขที่นี่พวกเขาได้สิ่งที่เหมือนกัน คุณมีช่างไม้มีนักตกแต่งและมีทุกอย่างผมคิดว่าอะไรก็ตามที่คุณสนุกที่จะทำบนโลกคุณยังมาทำต่อได้ที่นี่พวกเขาบอกว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทาจนกว่าจะถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงผมมีความสุขที่ได้ก่อสร้างช่วยคนอื่นๆคนที่คุณรู้จักอยู่ในกิจการก่อสร้างสมัยที่พวกเขาอยู่บนโลกเราจะทางานก่อสร้างด้วยกัน บ้านของพวกเราจะเกิดขึ้นจริงมันคงเหมือนบ้านบนโลกและบางหลังช่างสวยเหลือเกินแน่นอนคนที่เราสร้างบ้านให้คือคนที่เราชอบคนที่เรารักคนที่กระตือรือร้นอยากมีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองจากวิธีการคิดของพวกเขาทุกอย่างได้ผลที่นี่มีคนทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์มีสิ่งที่เรียกว่าสถาปนิตมีทุกอย่าง พวกเขาทําสิ่งต่างๆงานต่างๆที่ต้องการเสียงยืนยันความสําคัญในการทํางานสร้างสารรค์มาจากพบของผู้ที่อยู่ในสภาวะพัฒนาอีกลําดับหนึ่งเป็นเสียงที่ไม่มีใครคาดหวังเสียงจากอลิซาเบธฟลายคุณคงไม่คิดมาก่อนว่าเราแค่นึกก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการเธอกล่าวทุกรูปแบบของการทํางานดําเนินไปผู้คนทํากิจต่างๆ สร้างสรค์ออกแบบศิลปินชื่อดังวาดรูประบายสีเพราะมันคือความสุขของพวกเขาที่ได้ทำแต่ด้วยความหลากหลายของสีสันนักดนตรีชื่อดังเรียบเรียงบทเพลงอลิซาเบธฟลายเองก็ทำงานสังคมสงเคราะห์ที่เธอชอบนี่เป็นงาน ค, คล้ายๆกับงานช่วยเหลือนักโทษในโลกที่ปัสจาบัการคุมขังดิฉันกาลังทาเธอเล่าให้ฟัง สิ่งที่คุณอาจให้คำจำกัดความว่างานส่งเคราะห์ดวงวิญญาณผ่านสถานการณ์เหนือการควบคุมของพวกเขาเวลาอยู่บนโลกและสภาพแวดล้อมพวกเขาไม่สามารถปรับตัวเองได้พวกเขาหาแนวทางของชีวิตตัวเองไม่พบศิลปินชื่อดังที่คุยกับบูดและเบ็ตตี้กรีนอ้างถึงงานสร้างสารรค์บนสวรรค์เช่นออสการ์ไว์ก็ยังเขียนบทละครอยู่ บางคนรู้สึกกระหายและต้องทำงานมากมายเขาอธิบายบางก็ไม่ผมชอบที่จะเขียนเพราะการเขียนคือชีวิตของผมไลโอเนลบาริมัวยังสนใจในการละครออกจะเอาจริงเอาจังกว่าอยู่ในฮอลลีวูดด้วยซ้ำผมยังคงสนใจในงานละครทุกบทละครอันโด่งดังของเชกสเปียร์ถูกนำมาสร้างขึ้นที่นี่และพวกมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ บทละครที่ใหม่กว่ายิ่งใหญ่กว่าโด่งดังกว่าละครบนโลกที่คุณรู้จักและเขาก็ยังคงเขียนอยู่ผลิตและสแสดงงานของสเปนเซอร์ก็เช่นกันรวมทั้งคนดังทุกคนที่นี่ฉันพบเชคสเปียร์เสียงที่อ้างว่าเป็นลิเลียนเบลลิสแห่งยุควิกตอเรียโบราณกล่าวเขายังเขียนบทละครอยู่หรอครับบูดถามเขียนสิ เฟรดริกโชแปงยังอ้างว่าเขาเล่นเปียโ น, โนอยู่ความประทับใจของผมที่มีต่อเปียโนตอนแรกที่ผมมาเล่นในพบนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเล่นอยู่กับบ้านผมว่าถ้าไม่มีเปียโนชีวิตของผมคงจะว่างเปล่าแต่เมื่อผมเจอเปียโนที่นี่ผมก็เล่นได้และมีความสุขลูเพิร์ตบูฟยังเขียนหนังสือผมถามเขาเล่าว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเขียนหนังสือ เขาบอกว่าได้สิคุณทำได้ถ้าคุณปรารถนาและคุณยังทำได้อีกหลายอย่างที่ต้องการถ้าอยากเป็นจิตรกรหรือนักดนตรีก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้ที่จริงเราทำในสิ่งที่เราต้องการทำนั่นคือวิถีทางการดำเนินชีวิตของคนบนพพนี้เราเก้าวไปด้วยตัวเองสร้างความเป็นไปได้ด้วยความคิดของเราและการกระทา เป็นไปได้หรือที่จะจดรายการงานต่างๆบนสวรรค์ดูจะมีจำนวนอาชีพจำกัดกว่าบนนั้นแต่ว่ามันก็เปิดกว้างสำหรับทุกคนถ้าคุณเป็นทหารคุณจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อความสงบสันติภาพทหารกลาสีและนักบินถูกปลดระวงังพอหมดหน้าที่นั่นหมายถึงไม่มีเซลแมน ไม่มีนักบัญชีนักการธนาคารเจ้าของร้านหรือเสมียนข่าวดีสำหรับผู้มาถึงจ่ายอลิซาเบธฟลายคุณมีสิ่งต่างๆดำเนินไปเหมือนที่เราทำบนโลกหรือเปล่าบูรถามเช่นแข่งมา้าหรือละฆังโบทเงเงางบรรยากาศต่างๆเหล่านั้นยังคงมีอยู่เธอตอบเพราะจิตใจของมนุษย์คิดว่าตนเป็นพวกที่มีชีวิตชีวามีความสุข มีความปลอดภัยต่อตัวเองผู้อิกอย่างก็คือคนสร้างสรรด้วยความคิดอย่างที่เขาต้องการทำบนโลกของคุณและอยู่ในบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับโลกความคิดเหล่านี้มีอำนาจที่สูงที่สุดละครต่างๆยังคงเป็นเครื่องอำนวยความบันเทิงที่จำเป็นในทุกบรรยากาศเสียงต่างๆพูดถึงเรามีสถานเลิงรมไลโอเนลบาลีมกล่าวแม้จะไม่เหมือนกับบนโลกเสียทีเดียว ทุกบทละครที่ถูกสร้างขึ้นที่นี่ล้วนมีเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่ให้เพียงความบันเทิงเริงร ม, มเสียอย่างเดียวแต่เรามีบทละครที่เรียกว่าบทละครเพื่อจริยธรรมในบรรยากาศชั้นที่ต่ำกว่าเราผลิตละครจากชีวิตของปัจเจกบุคคลเพื่อให้เราเห็นกันในหมู่ของผู้ชมคอนเสิร์ตก็ดูจะเป็นสิ่งปกติธรรมดาเหมือนกับละครแมรี่แอนดรอสอธิบายว่า เพื่อนชายคนที่เคยทิ้งเขาไปตอนอยู่บนโลกพาเธอไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกเขาพาฉันไปเธอบอกสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในคุณคงเรียกมันว่าเป็นเมืองเพราะมีบ้านทุกแบบและอาคารหลังใหญ่ๆจุผู้คนได้เป็นพันที่นั่นโอโถงมีขั้นบันไดยเยอะแยะตอนแรกที่ฉันมองดูขั้นบันไดเหล่านั้นก็คิดว่าทำไมมันมีบันไดยเยอะอย่างนี้ เดินขึ้นไปก็คงจะเหนื่อยแต่เรื่องตลกก็คือฉันไม่เห็นจะเหนื่อยเลยเราเข้าไปในสถานที่โอรานแห่งนั้นมันกว้างใหญ่มากมีเวทีมีเปียโ น, โนหลังงามเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นในชีวิตมันใหญ่มากใหญ่กว่าเปียโนหลังไหนๆที่ฉันเคยพบหรือเคยได้ยินได้ฟังฉันคิดว่ามันมีชีถึงสามแถวที่ทาจากมุกและมีสีสันสวยงามที่สุด จากนั้นก็มีคนแต่งกายหรูหราออกมาเขาเป็นชายร่างสูงท่าทางดีผมยาวผิวดีเขานั่งลงและเริ่มบรรเลงฉันไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้เรื่องตลกก็คือขี่ทั้งสาเหมือนถูกเล่นมาพร้อมๆกันทั้งๆ ท, ที่มีคนเล่นแค่สองมือฉันไม่เห็นนิ้วมือของเขาขยับขึ้นไปทั้งแถวบนเลยเขาเล่นแต่แถวล่าง แต่ฉันเห็นการกดโน้ตบนแถวลิ่มนิ้วอื่นๆฉันสรุปเลยว่ามันคงจะเกี่ยวพันกันนั่นวิเศษมากเสียงนั้นราวกับเราล่องลอยไปกับเสียงเพลงมันเข้ามาโอบล้อมพวกเราเราลืมสถานที่ลืมเวลาลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างราวกับกำลังเดินไปบนบทเพลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีเรามองไม่เห็นห้องแสดงดนตรีไม่เห็นผู้คนกระทั่งไม่เห็นคนเล่นเปียโน เรากับเราเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงและบทเพลงก็กำลังพูดกับเราช่วยให้เข้าใจได้กระทั่งจอห์นบราว์เมื่อเขาเลิกดื่มเหล้าก็ดูเหมือนมีพัฒนาการในบทเพลงคุณสามารถนั่งอยู่ร่วมกับคนนับพันเขากล่าวในห้องถงใหญ่กลางแจ้งและเราก็ได้ยินเสียงดนตรีอันยิ่งใหญ่จากผู้เรียบเรียงชื่อดังเราไม่ได้แค่ฟังแต่เรายังมองเห็นด้วย ภาพที่ปรากฏของบทเพลงถูกตราตึงลงในบรรยากาศและเรามองเห็นได้เห็นพอๆกับที่ได้ยินอย่างเช่นถ้านักดนตรีกำลังเรียบเรียงดนตรีบทเพลงซึ่งนำมาเสนอจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแปลผันของมนุษย์แล้วคุณก็จะได้เห็นภาพที่อยู่ในใจเขาพร้อมกับสิ่งซึ่งนาเสนอสอดแทกไว้ในบทเพลงทั้งหมดนี้ยากที่จะอธิบาย จากทุกข้อมูลของชีวิตใหม่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏได้ชัดเจนที่สุดก็คือคนในโลกหน้าอยู่รอดในขณะที่ส่วนของบุคลิกได้ตายจากไปคุณไม่สามารถไปยังประเทศแกลกๆได้ออสการ์ไวกล่าวโดยไม่คิดว่าที่นั่นมันจะแตกต่างไปจากที่อื่นหรอกนะสิ่งที่พิเศษสุดก็คือผู้คนเหมือนเดิมสถานการณ์อาจแตกต่างไป ประเทศแตกต่างพฤติกรรมอาจแตกต่างแต่สิ่งที่พิเศษและน่าสนใจก็คือทุกคนยังเหมือนเดิมหน้าตาเป็นคนเหมือนกันกระนั้นอคติเรื่องผิวพรรณและชนชั้นยังมีอยู่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งในสวรรค์จอร์วิลมอตต์พ่อค้าคนยากพนนนาว่าเขาเดินไปกับผู้นำทางของเขาผ่านผู้คนที่กำลังยืนอยู่หน้าประตูและมองออกไปทางนอกหน้าต่าง บางครั้งพวกเขาโบกมือเขาบอกแล้วบางคนจะร้องออกมาดูเหมือนทุกคนเป็นพวกผิวขาวฉันไม่เห็นคนผิวสีเลยและคิดว่านี่ต้องเป็นถ้านั่นคือสิ่งที่เขาพูดกันว่าสวรรค์นั่นก็คงจะเป็นสวรรค์ของคนผิวขาวฉันเริ่มคิดถึงคนผิวสีไม่รู้สินะทุกคนก็ดูปกติเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่นี่ แต่เราไม่เห็นคนอื่นๆนอกจากคนขาวฉันถามตัวเองแต่พวกเขาคงรู้ความในใจของฉันเขาบอกว่าที่นี่มีคนผิวสีทุกสีผิวทุกชนชาติแต่แน่นอนเป็นธรรมดาที่ผู้คนต้องการอยู่ในชุมชนของตัวเองมีสภาพที่เหมาะสมกับพวกเขาบางคนอาจชอบกระท่อมเล็กๆและพวกเขาจะมีความสุขถ้าได้อยู่แบบนั้น บางคนผิวสีแต่จะไม่มีความสุขหากได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนผิวขาวหรือท่ามกลางคนผิวขาวเราจะเจอคนทุกเชื้อชาติทุกประเภทที่นั่นและพวกเขาอยู่ในชุมชนหรือสภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาในที่ที่มีความสุขที่สุดแต่พวกเขาจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดและรูปลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะผิวขาวผิวสี พวกเขาจะออกจากชุมชนต่างๆที่เคยอยู่และในที่สุดพวกเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้จอร์ดลาวกล่าวในความคิดด้านนี้ว่าเราอาจบอกได้ว่าความตายที่นี่คือการยกระดับเราจะตระหนักว่าไม่สำคัญเลยว่าบนโลกเราเป็นอะไรไม่ว่าจะมีคุณค่าเท่ากับที่ตั้งไว้หรือเปล่าความชื่นชมที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงต่างหากเป็นสิ่งที่สาคัญ ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมพบผู้คนมากมายคนดังๆเพราะตำแหน่งของพวกเขาในชีวิตบนโลกบางครั้งเขาเป็นคนที่ไม่มีความเห็นใจหรือเข้าใจในหัวอกของคนยากจนที่นี่พวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งต่างๆที่มีชีวิตและที่สำคัญสิ่งต่างๆซึ่งพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้และสภาพชีวิตของพวกเขาบ่อยครั้งที่คนจนมักเข้าใจความจริงได้ง่ายกว่าคนรวย มันง่ายกว่าเขาย้ำสำหรับอูดที่จะเดินฝ่าแสงแดดกว่าการที่คนรวยสักคนจะเดินเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอาเฟรดทิกกินบอกทันทีที่เราหมดความเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีบุคลิกเดิมเหลืออยู่แน่นอนเราจะเป็นคนเดิมแต่จะฉลาดขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเข้าใจอะไรๆ ไ, ได้ง่ายขึ้นอดทนได้มากขึ้น ไม่มีความคิดแบบเก่าโง่ที่พร่ำสอนอยู่เป็นปีๆในภพของคุณหลับคำสอนแคบๆนั้นไม่ช่วยลูกๆของพระเจ้ามันแยกพวกเขาออกจากกันตั้งหากบุตรทุกคนของพระองค์มีโอกาสทัดเทียมกันในการอยู่รอดทั้งทางสำนึกขั้นสูงทั้งจิตวิญญาณและจิตใจอย่ากลัวการตายจากโลกนั้นมาสู่ที่นี่เอ็เลนเทอรี่เสริม สภาพของชีวิตนั้นไม่ว่าจะต่ำขนาดไหนนั่นเป็นภาพสะท้อนจากโลกของคุณพัฒนาการของคนในพบนี้เราจะต้องพบสภาพที่ต้องปรับตัวให้เหมาะสมที่สุดบางคนจะดูมืดน่ากลัวอันเนื่องมาจากแสงในตัวพวกเขาแต่พวกเขามีอิสระที่จะแสดงออกพัฒนาและแปลผันไปแน่นอนเรารู้ว่ามีบรรยากาศที่ต่ำกว่า มีบรรยากาศที่ไม่ได้พัฒนาซึ่งวิญญาณที่ไม่ได้พัฒนาจะไปรวมกันอยู่ที่นั่นแต่มันไม่ใช่นรกอย่างในรูปภาพที่นี่เป็นบรรยากาศซึ่งคนสร้างสรรค์ด้วยความคิดของเขาเองรวมถึงการใช้ชีวิตของที่นี่สิ่งที่มนุษย์สร้างไว้จะแปลผันไปได้ตามตัวเขาเองโดยขึ้นอยู่กับความพยายามส่วนบุคคลความตั้งใจยกระดับตัวเองจากความมืดมิด คนอาศัยอยู่ในความมืดที่ตนสร้างขึ้นทันทีที่เขาปรารถนาในรูปกายชั่วนิดนิรันด์เขามุ่งมั่นที่จะยกระดับตัวเองจากชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่าดังนั้นเขาจะได้รับการช่วยเหลือมีคนนำทางและเขาจะได้รับคาแนะนําทุกคนที่มาจะได้รับการแสดงให้เห็นหนทางและวิถีทางว่าแต่หนทางไปไหนกันละ่ะ